พระยมักมีองค์8ในบทที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าการอบรมจิตตามแนวของมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการพ้นจากวัตถุควรประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาและมัคคยานเราจึงควรศึกษาว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอธิบายไว้ ด้วยวิธีถามเองตอบเองตามโวหารนิยมในสมัยนั้นว่าภิกษุทั้งหลายอะไรคือทางสายกลางที่ทำให้ตถาคตได้ตรัสรู้อันทำให้เกิดจักสุทำให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดนี้ คือทางสายกลางได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอาริยมรรคมีองค์8ดนี้แหละคือทางสายกลางที่ทําให้ตถาคตได้ตรัสรู้อันทําให้เกิดจักสุทําให้เกิดปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์อริยมรรคคือทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้นหรือทางดําเนินของพระอริยมีองค์8สรุปความได้เป็นสามหมวด 1. ห, หมวดศีลคือสัมมาวาจาในวงเล็บการกล่าวชอบสัมมากรรมตะในวงเล็บการกระทำชอบและสัมมาอาชีวะ ในวงเล็บการเลี้ยงชีพชอบ 2. หมวดสมาธิคือสัมมาวายามะในวงเล็บความเพียรชอบสัมมาสติในวงเล็บกาลรละลึกชอบและสัมมาสมาธิในวงเล็บความตั้งมั่นชอบ 3. หมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะความดำริชอบซึ่งหมายรวมทั้งโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาต่อไปนี้จะกล่าวถึงมากแต่ละองค์อย่างละเอียดโดยการเน้นเชิงปฏิบัติที่ผู้ประรบความเพียรต้องอบรมในขณะเจริญวิปัสสนากรรมฐานข้อความดังกล่าวไม่พบโดยตรงในพระสูตรนี้แต่ปรากฏในมหาสติปฐานสูตร มาวาจาในวงเล็บการกล่าวชอบพระพุทธองค์ตรัสถึงการกล่าวชอบว่าภิกษุทั้งหลายการกล่าวชอบเป็นอย่างไรคือการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส้อเสียดงดเว้นจากการพูดคําหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อการงดเว้นดังกล่าวเรียกว่าการกล่าวชอบ การกล่าวชอบในความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นคือเจตนางดเว้นจากมิจฉาวาจาดังนั้นถึงแม้ว่าในบางโอกาสเราอยากจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจอ้อหากเรายับยั้งตนเองไว้ได้ก็ถือว่ากำลังจเจริญสัมมาวาจาในทางพระอภิธรรมนั้นสัมมาวาจาเป็นเจตสิกดวงหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มวิรติเจตสิกผู้ที่งดเว้นจากมิจฉาวาจาจะกล่าวแต่ถ้อยคำที่จริงแท้อ่อนหวานมีประโยชน์และก่อให้เกิดความปรองดองแต่สิ่งที่สำคัญในการเจริญสัมมาวาจาคือเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตจึงถือเป็นการรักษาศีล ผู้ที่สมาทานศีลข ja ้อมูสาวาดไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือศีลสิบก็ควรงดเว้นมิจฉาวาจาอีกสามอย่างไปพร้อมกันเมื่อผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานและลึกรู้อยู่กับรูปนามทั้งหมดที่พบในขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือคิดนึก แล้วอย่างเห็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้ของสภาวะเหล่านั้นกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เกลามิจฉาวาจาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นการระงับอนุสัยกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตได้ชั่วขณะในวงเล็บตัดทางับปหานะด้วยอำนาจของวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนาญาณ ได้พัฒนาแก่กล้าจนเต็มรอบผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นประจักษ์พระนิพพานด้วยมักคยานสามารถละมิจฉาวาจาได้โดยเด็ดขาดในวงเล็บสมุดเชทธปหานะด้วยสัมมาวาจาดังคำพีวิสุธทธิมรรคอธิบายว่าพระโสดาบันละการพูดเท็จได้โดยเด็ดขาดในวงเล็บอีกทั้งยังละการพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อที่จะส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิพระอนาคามีละการพูดส่อเสียดและคำหยาบได้โดยเด็ดขาดในวงเล็บคำหยาบในที่นี้หมายเอาเฉพาะการกล่าวคำหยาบโดยมีเจตนาเท่านั้นเพราะบางคนพูดคำหยาบโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีพระอรรัตนละการพูดเพ้อเจ้อได้โดยเด็ดขาด ด้วยเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเจริญสัมมาวาจาให้บริบูรณ์ต่อเนื่องไปตราบจนบรรลุมรรคยานทั้งสขั้นทีเดียวสรุปได้ว่าการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคํหยาบและการพูดเพ้อเจอ้อเป็นมิจฉาวาจาส่วนการงดเว้นจากมิจฉาวาจาเป็นสัมมาวาจา สัมมาการมันตะการกระทำชอบพระพุทธองค์ตรัสถึงการกระทำชอบว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำชอบเป็นอย่างไรคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการลักทรัพย์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมการงดเว้นดังกล่าวเรียกว่าการกระทำชอบการกระทำชอบได้แก่ เจตนางดเว้นจากการประพฤติชั่วทางกายสามอย่างที่กล่าวข้างต้นดังนั้นแม้บางครั้งเราอยากจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือประพฤติผิดในการมหากเรายับยั้งตนเองไว้ได้ก็ถือว่าเรากําลังเจริญสัมมากรมันตะเช่นเมื่อยุงมากัดเราเพียงแต่ไล่มันแทนที่จะไปตบให้มันตาย จัดว่าเป็นการกระทําชอบแม้การหลีกเว้นโดยไม่ขโมยหรือไม่ประพฤติผิดในการมก็ถือเป็นการกระทําชอบเช่นเดียวกันอาจมีผู้สงสัยว่าการประพฤติผิดในการมนั้นหมายถึงอะไรบ้างอธิบายโดยย่อว่ามีหญิง20ประเภทที่บุรุษไม่ควรล่วงเกินคือหญิงที่อยู่ในความคุ้มครองของบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิง หญิงในสำนักปฏิบัติธรรมหญิงมีสามีแล้วหรือหญิงมีคู่มั่นแล้วเป็นต้นชายที่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงที่กล่าวมานี้ในทางชู้สาวถือว่าประพฤติผิดในกามในทางกลับกันหญิงที่มีสามีหรือหญิงที่มีคู่มั่นแล้วถ้ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นในทางชู้สาวก็ได้ชื่อว่าประพฤติผิดในกามเช่นเดียวกันสรุปได้ว่า การฆ่าการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกรรมเป็นมิจฉากรรมมันตะส่วนการงดเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกรรมเป็นสัมมากมันตะการเจริญสัมมากมันตะนี้ทาได้ด้วยการรักษาศีลและการเจริญวิปัสนาภาวนาและทำให้บริบูรณ์ได้ในขณะบรรลุอริยมรรคทั้งสี่ สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพทุล่วงละเมิดสัมมากรรมันตะสและสัมมาวาจาสจัดเป็นมิจฉาอาชีวะการประกอบอาชีพงดเว้นจากการกระทําเป็นมิจฉากรรมันตะและมิจฉาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะดังพระพุทธดํารัสว่าภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนี้งดเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบการงดเว้นดังกล่าวเรียกว่าการเลี้ยงชีพชอบมิจฉาอาชีวะคือการหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการทำบาปผิดศีลธรรมเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ แต่หากการทำบาปทางกายหรือทางวาจาไม่ได้เป็นไปเพื่อหาเลี้ยงชีพก็จะเป็นเพียงมิจฉากรรมันตะหรือมิจฉาวาจาเท่านั้นไม่ถือเป็นมิจฉาอาชีวะยกตัวอย่างเช่นการฆ่ามแมลงการฆ่างูหรือการฆ่าศัตรูคู่อาฆาตเพราะความโกรธแค้นหรือเกลียดชังเป็นส่วนตัวจัดเป็นมิจฉากรรมันตะ ไม่ใช่มิจฉาอาชีวะแต่การฆ่าเป็ดไก่สุกรแพะหรือปลาเพื่อนำไปขายหรือบริโภคเองจัดเป็นมิจฉาอาชีวะโดยทั่วไปการลักทรัพย์และการพร้นสะดมมักจะเกิดจากความต้องการทางเศรษฐกิจจึงจัดเป็นมิจฉาอาชีวะแต่ในกรณีที่เป็นการแก้แค้นหรือเพราะมีนิสัยขี้ขโมยก็จัดเป็นมิจฉากรรมันตะ การประพฤติผิดในการมส่วนมากไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพแต่เป็นการล่อลวงหญิงเพื่อค้าประเวณีก็ถือเป็นมิจฉาอาชีวะการพูดเท็จถือเป็นมิจฉาวาจาถ้าไม่ได้มีเจตนาเพื่อหวังทรัพย์สินแต่การพูดเท็จเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือการพูดเท็จในศาลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจัดเป็นมิจฉาอาชีวะ ในตานองเดียวกันการพูดส่อเสียดให้ร้ายถ้าไม่กระทําเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจัดเป็นมิจฉาวาจาแต่ถ้าเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเพื่อทําลายคู่แข่งทางการค้าถือเป็นมิจฉาอาชีวะการพูดคําหยาบคายมักถือเป็นมิจฉาวาจาเพราะไม่อํานวยประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใดส่วนการพูดเพ้อเจ้านั้น ก็คืออาชีพเขียนนวนิยายการแสดงละครและภาพยนตร์จัดเป็นมิจฉาอาชีวะการประกอบมิจฉาอาชีวะที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีผู้ที่สมท า, านรักษาศีลห้าจะต้องหลีกเลี่ยงการหาเลี้ยงชีพที่อาศัยกายทุจริตและวจีทุจริตรวมเจ็ดประการที่กล่าวมาแล้วนี้ ในชีวตตถาะกรรมศีลในวงเล็บศีลที่มีการเลี้ยงชีพเป็นข้อที่8มีการสมาทานการงดเว้นมิจฉาอาชีวะเป็นสิกขาบทข้อหนึ่งในจำนวน8ข้อโดยเฉพาะดังนั้นการหลีกเลี่ยงมิจฉาอาชีวะและการประกอบอาชีพโดยไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจึงนับเป็นสัมมาอาชีวะ สรุปความว่าสัมมาอาชีวะจัดเป็นการปฏิบัติที่ประกอบด้วยเจตนางดเว้นในวงเล็บวิรติเจตสิกเหมือนสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะดังนั้นการหลีกเลี่ยงการหาเลี้ยงชีพที่ผิดจึงจัดเป็นสัมมาอาชีวะการเจริญสัมมาอาชีวะนี้ทำได้สองวิธีคือด้วยการรักษาศีลและด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่ออบรมให้วิรติเจตสิกในองค์มรตมีพัฒนาจนสมบูรณ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชิวะทั้งสามอย่างนี้เป็นอริยมรตในหมวดว่าด้วยศีลสิกขาต่อไปเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับอริยมรคในหมวดสมาธิ สัมมาวายามะความเพียรชอบพระพุทธองค์ตรัสถึงความเพียรชอบว่าภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ย่อมยังความพอใจให้บังเกิดขึ้นย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อยังบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อลบบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นเพื่อยังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมหายไปและยังให้เจริญภัยบณ์เต็มที่ความเพียรดังกล่าวเรียกว่าความเพียรชอบความเพียรชอบตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั้นแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้หนึ่ง พยายามป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราได้เห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการกระทำบาปของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์หรือการพูดเท็จก็ตามเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนั้นเปรียบเหมือนการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อที่กำลังระบาดอยู่สอง พยายามละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแบ่งออกเป็นสองอย่างก็กิเลส ท, ที่เราเคยทำมาก่อนจริงๆได้แก่วีติกมะในวงเล็บล่วงละเมิดคือกิเลส ท, ที่แสดงออกมาทางกายกรรมและ ว, วัจจกรรมเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์หรือการพูดเท็จพร้อมทั้งปริยุตฐาน ในวงเล็บฟูขึ้นในใจอันได้แก่ความดำริในกามในวงเล็บกามวิตกเป็นต้นขอกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในใจในวงเล็บอนุสัยเป็นกิเลสละเอียดไม่ปรากฏอาการให้เห็นจนกว่าจะได้โอกาสในบรรดากอากุศนทั้งสองชนิดนี้วิติกรมะถูกระงับได้ด้วยการรักษาศีล ปริยุติฐานถูกข่มไว้ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสนาอนุสัยละได้ชั่วขณะด้วยอำนาจของวิปัสนาญาณแต่จะละได้อย่างเด็ดขาดด้วยมัรคญาณการละอนุสัยนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะรู้ผลได้อย่างทองแท้ 3. พยายามอย่างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมถะพร้อมทางวิปัสสนาจัดเป็นกุศลทั้งสิ้นดังนั้นเราควรพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะทำกุศลที่ยังไม่ได้ทำทำให้เกิดขึ้นจนครบถ้วนทุกอย่างบางคนก็เข้าใจคำสอนของพระบรมศาสดาผิดไปจากความเป็นจริงจึงกล่าวว่า การทำบุญกุศลจะเป็นการตอบพบชาติให้ยาวนานออกไปเพราะการทำบุญเป็นสังขารที่เป็นการปรุงแต่งซึ่งมีอวิชชาเป็นปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในวงเล็บสังขาระปัจจยาวิญญานังดังนั้นการทำกุศลในวงเล็บกุศลสังขาร จึงเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณเพราะเหตุนี้จึงไม่ควรสร้างกุศลความเห็นเช่นนี้เป็นการคัดค้านคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันถ้าเราเลิกละการประกอบกุศลเสียแล้วการกระทำของเราก็จะเหลือแต่อกุศลซึ่งนอกจากจะต่อสังสารวัตให้ยืดยาวออกไปแล้ว ก็ยังทําให้เราต้องไปเกิดในทุกติภูมิอีกด้วยซึ่งต้นเหตุที่แท้จริงของสังสารวัฏอันหาที่สุดไม่ได้นี้คืออวิชชาและตัณหาซึ่งจะขจัดได้ด้วยการประกอบกุศลเท่านั้นเราจึงควรประกอบกุศลได้เจตนาที่จะขจัดกิเลสอันได้แก่อวิชชาและตัณหาให้หมดสิ้นไปที่จริงแล้วการทากุศลแม้เป็นเพียงขั้นพื้นฐาน ก็จะส่งผลให้ไปเกิดในสุคติภูมิทำให้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพ้นไปจากการเกิดในทุกติภูมิและต้องไม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏัดสงสารอีกต่อไปดังตัวอย่างเรื่องมัณฑกเทศพบุตรในวงเล็บเทพพบุต ร, บตรกบซึ่งในอดีตชาติได้เกิดเป็นกบ และบางเอินได้ฟังพระสูต ท, ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแม้ว่าจะไม่เข้าใจความหมายก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเมื่อตายไปเกิดในเทวโลกต่อมามีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์อีกจึงบรรลุเป็นพระโสดาบันดังนั้นเราจึงควรตั้งความพยายามในการทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิปัสสนากุศลที่เป็นทางนำไปสู่มรรคยานทุกครั้งที่เราปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ก็นับว่าได้เจริญสัมมาวายามะแล้ว 4. พยายามอย่างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมัน่นและพัฒนาให้เต็มบริบูรณ์เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยระลึกรู้อารมณ์ที่เห็นได้ยินสัมผัสและจิตที่รู้ เขาจะไม่เปิดโอกาสให้อกุศลที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นการกําจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปอีกด้วยและในขณะเดียวกันก็ยังก่อให้เกิดวิปัสสนากุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาวิปัสสนากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญภยัยโบลถึงระดับมรรคกุศล จึงกล่าวได้ว่าในทุกขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนาภาวนาระลึกรู้สภาวะธรรมอยู่นั้นเขากําลังจเจริญสัมมาวายามะหรือสัมมาปทานสซึ่งได้แก่หนึ่งพยายามป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น 2. พยายามขาจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. พยายามทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. พยายามทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและพัฒนาให้เต็มบริบูรณ์เมื่อเราทำบุญกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็นับว่าได้เจริญสัมมาวายามะตามสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำกุศล น, นั้นประกอบด้วยเจตนาที่จะออกจากสังสารทุกข์การเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จึงนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ในการเจริญสัมมาวายามะสัมมาสติในวงเล็บการระลึกชอบพระพุทธองค์ตรัสถึงการระลึกชอบว่าภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระศาสนานี้ตามรู้ในกองรูปว่าเป็นกองรูป มีความเพียนเผากิเลสมีปัญญาอย่างเห็นมีสติข่มอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ตามรู้ในเวทนาว่าเป็นเวทนามีความเพียนเผากิเลสมีปัญญาอย่างเห็นมีสติข่มอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ตามรู้ในจิตว่าเป็นจิตมีความเพียนเผากิเลสมีปัญญาอย่างเห็นมีสติ คมอภิชาและโทมนัตในโลกอยู่ตามรู้ในสภาวะธรรมว่าเป็นสภาวะธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีปัญญาอย่างเห็นมีสติคมอภิชาและโทมนัตในโลกอยู่การตามรู้ดังกล่าวเรียกว่าความระลึกชอบถ้ามาจากกัปวัตนสูตรที่พบในปัจจุบันได้กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์แปดเพียงหัวข้อเท่านั้น โดยไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติแต่อย่างใดถ้าเป็นเช่นนั้นท่านพระโกนธัญญาพร้อมทั้งเหล่าเทวดาและพร้มที่ฟังอยู่ณที่นั้นจะเข้าใจอย่างไรว่าสัมมาสติคือการระลึกรู้สภาวะธรรมสี่อย่างอันได้แก่กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมท่านเหล่านั้นเข้าใจหรือไม่ว่า การระลึกรู้อากับกิริยาทั้งร่างกายความรู้สึกจิตที่ประกอบด้วยความโลภโกรธฟุ้งซ่านและสภาวะธรรมการเห็นเป็นต้นคือสัมมาสติซึ่งจะพัฒนาได้ด้วยการกําหนดรู้รูปนามในปัจจุบันซึ่งจะพัฒนาได้ด้วยการกําหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่อง ความสงสัยนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเพราะถ้าท่านเหล่านั้นไม่เข้าใจสัมมาสติอย่างทองแท้แล้วก็ไม่อาจจะอบรมสัมมาสติให้เจริญได้และหากประศจากสัมมาสติแล้วการบรรลุมรรคพยานก็จะเป็นไปไม่ได้เลยคำตอบในเรื่องนี้สันนิฐานได้สองประการประการแรกท่านพระโกนทัญญะพร้อมทั้งเหล่าเทวดา และพรมได้สั่งสมบารมีมาจนเต็มรอบแล้วเมื่อได้ยินเพียงคำว่าสัมมาสติเท่านั้นก็เข้าใจได้เองว่าหมายถึงการกำหนดรู้กองรูปและเวทนาเป็นต้นแล้วปฏิบัติตามนั้นจนบรรลุคุณธรรมชั้นสูงประการที่สองอาจเป็นได้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรเป็นครั้งแรกนั้น ได้ส่งอธิบายแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่โดยละเอียดแต่ต่อมาได้แสดงพระสูตรอื่นๆเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8และอริยสัจ ท, ทั้งสี่ไว้โดยละเอียดอีกดังนั้นพระสังคีติกาจาร์ผู้ประมวลคำสอนในสมัยสังคยนาจึงย่อเนื้อความส่วนนี้ในธรรมจั ก, กปรปวณสูตรลงโดยคงไว้แต่เพียงหัวข้อเท่านั้น แม้พระสูตรอื่นก็ได้ถูกย่อในทรมนองเดียวกันนี้ในคราวทำสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งเช่นสติปัฏฐานสูตรที่พบในมัชฌิมานิกายเป็นสำนวนที่มีการย่อมาจากมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆานิกายซึ่งในการสังคยน า, านาครั้งที่หนึ่งก็ได้ยกมาเพียงท่อนแรกเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือได้เพิ่มเข้ามาในการสังคยานาครั้งที่6ในวงเล็บชัตทสังขีติดังนั้นในอัตตกถามัชชิมานิกายมูลปันนาจึงไม่ได้อธิบายข้อความในส่วนที่เหลือจากท่อนแรกนอกจากนี้ก็ยังมีพระสูตรขนาดยาวในนิกายอื่นๆที่ถูกนำมาย่อไว้ในขุทกะ น, นิกายเช่นเดียวกันดังนั้น จึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่าคําอธิบายอย่างละเอียดเรื่องสัมมาสติที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เมื่อทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวคีนั้นคงถูกย่อให้สั้นลงในการสังคยาาครั้งที่หนึ่งสติปัฏฐานสี่นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยปัจจุบันและยิ่งกว่านั้นยังมีการอธิบายขยายความเกี่ยวกับอริยมรรคมีองแปดไว ในมหาสติปัฏฐานสูตรและคำพีอัตถกถาอีกลายแห่งถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสัมมาสติก็ยังมีไม่มากนักด้วยเหตุนี้อาตมาจึงได้ลงความเห็นว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเมื่อทรงแสดงพระสูตรไว้ในครั้งแรกใครขอย้ำอีกครั้งว่า สัมมาสติหมายถึงสติปัฏฐานสีนั่นเองการพัฒนาสัมมาสตินั้นได้แสดงไว้ในพระสูตรที่ได้ยกมาในตอนต้นที่เป็นเพียงหัวข้อของสติปัฏฐานเท่านั้นผู้ที่ต้องการจะทราบรายละเอียดของกองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมควรศึกษาจากมหาสติปัฏฐานสูตรโดยตรงตามที่กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาจิตให้เกิดอปปนาสมาธิในวงเล็บสมาธิแนบแน่นได้สองวิธีตามหลักกายานุปัสนาคือหนึ่งด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสองด้วยการกำหนดรู้อาการสามสิบสองที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายได้แก่ผมขนเป็นต้น การกำหนดรู้กรรมฐานสองหมวดนี้สามารถก่อให้เกิดฌานได้ส่วนอีก19หมวดที่กล่าวถึงมหาสติปัฐานสูตรนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ก่อให้เกิดสมาธิในขั้นอุปจาระในวงเล็บสมาธิใกล้จะแนบแน่นเท่านั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงอาจเลือกเจริญวิปัสสนาโดยกาหนดอารมณ์กรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่ง ในสิบก้าหมวดที่กล่าวถึงข้างต้นเช่นในหมวดอิรยาบถตามข้อความที่กล่าวว่าคัตฉันโตวาคัตฉามีติปชานาติในวงเล็บเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ว่าเดินอยู่ผู้ปฏิบัติควรระลึกรู้ถึงสภาวะเหล่านี้คือสภาวะเดินในขณะเดินคือสภาวะเบาในขณะยก สภาวะผลักดันในขณะย่างสภาวะหนักในขณะเหยียบสภาวะกระทบสัมผัสที่แข็งหรืออ่อนในขณะเหยียบเต็มเท้าแล้วสภาวะยืนในขณะยืนคือสภาวะตั้งตรงของกายทุกส่วนตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าที่ตรงเหมือนไม้บรรทัดหรือเสาธง สภาวะนั่งในขณะนั่งคือสภาวะตั้งตรงของร่างกายส่วนบนและสภาวะงอคู้ของร่างกายส่วนล่างสภาวะนอนในขณะนอนคือสภาวะเหยียดออกทางขวาของร่างกายทั้งหมดตามข้อความว่ายะถายะถาวาปนัสสะกาโยปนิหิตโตโหติ ตถาตถานังปชานาติในวงเล็บหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆก็รู้กิริยาท่าทางอย่างนั้นๆผู้ปฏิบัติควรระลึกรู้อิรยาบถย่อยมีการเหยียดคู้ที่เกิดขึ้นในขณะเดินเป็นต้นอีกด้วยและควรกำหนดให้รู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันเท่านั้น เพราะในบทว่าคัตฉันโตวาคัตฉามิติปชานาติเป็นต้นนั้นใช้เกียรยาในปัจจุบั น, นาการว่าคัตฉามิในวงเล็บเดินอยู่เป็นต้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรเข้าใจว่าการท่องจํารูป28่สิบแปดจากคำพีพระอภิธรรมแล้วนํามาคิดพิจารณ า, านั้นม่ใช่กายานุปัสนาสติปัฐาน นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติมกักควระระลึกรู้อากับกิริยาทางกายในขณะก้าวไปถอยกลับแปลดูตรงหน้าเหลียวดูรอบข้างคู่เข้าหรือเหยียดออกเป็นต้นตามที่กล่าวไว้ในหมวดสัมปชัญญะของมหาสติปัฐานสูตรด้วย วิปัสสนาขณิกะสมาธิในหมวดว่าด้วยธาตุมณสิการผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้ธาตุทั้งสี่ที่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะในคำภีวิสุทธิมรรคระบุว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเอาชนะนิวรห้าได้อย่างเด็ดขาดด้วยการกำหนดรู้ธาตุสี่ก็จะเข้าไปถึงอุปจารสมาธิ และในคำพีเีกาของวิสุทธิมรรคได้อธิบายว่าสมาธิที่เกิดขึ้นนี้มิได้เกิดใกล้เคียงกับอัปนาสมาธิจึงยังจัดเป็นอุปจารสมาธิไม่ได้ทีเดียวอย่างไรก็ตามสมาธินี้มีคุณสมบัติคล้ายกับอุปจารสมาธิเพราะสามารถกำจัดนิวรณ์และทำจิตให้สงบ จึงอาจอนุโลมให้เทียบเท่าอุปจาระสมาธิบางคนไม่เห็นด้วยกับชื่อนี้โดยกล่าวว่าคณิกะสมาธิไม่อาจทำให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานประสบความก้าวหน้าได้หากคณิกะสมาธิทำให้วิปัสสนาพัฒนาได้ผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกก็น่าจะบรรลุวิปัสสนาญาณกันหมดอาตมายอมรับว่าถ้าท่านเหล่านั้นได้เจริญสติกาหนดรู้ รูปนามที่ปรากฏในปัจจุบันขณะตามที่กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและขณิกะสมาธิของท่านมีกำลังพอที่จะกำจัดนิวร์ห้าท่านเหล่านั้นก็อาจจะเกิดวิปัสสนาญาณได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าสมาธิในระดับที่ใช้ท่องจำหรือใครครวนคมพีไม่มีกำลังพอที่จะทำาลายนิวรณได้และนักศึกษา ก็ไม่ได้กําหนดรู้รูปนามปัจจุบันที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะด้วยเหตุนั้นผู้ที่คัดค้านวิปัสนาคณิกะสมาธิอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญวิปัสนาอย่างเพียงพอวิปัสนาคณิกะสมาธินี้กล่าวตามข้อความในคัมภีวิสุทธิมากว่าความตั้งมั่นแห่งจิตชั่วขณะและข้อความในคัมภีเดกาของวิสุทธิมากว่า สมาธิที่ตั้งอยู่ชั่วขณะหากผู้ปฏิบัติกำหนดรู้กองรูปที่กำลังปรากฏอยู่ในแต่ละขณะตามที่กล่าวไว้ในหมวดอริยบทหมวดสัมปชัญญะและหมวดธาตุมณสิการของมหาสติปฐานสูตรจะทำให้เกิดอุปจารสมาธิที่ควรเรียกว่าวิปัสนาคณิกะสมาธิพร้อมกับวิปัสนาญาณ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากายานุปัสนาสติปัฐานเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิข้อความข้างต้นสอดคล้องกับคําที่กล่าวไวในคมพีวิสุทธิมักซึ่งเรียกการกำหนดรู้ธาตุสี่ตามหมวดธาตุมณสิการว่า ทาตุทาตุว่าวัฏฐานะอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าที่จะมีข้อสงสัยเมื่อกล่าวว่าการกำหนดรู้ตามหมวดอิริยาบถสัมปชัญญะและธาตุมณสิการเป็นวิปัสนาที่นำไปสู่อุปจาระสมาธิเพราะมีการยืนยันไว้ในคำพีวิสุทธิมักและอัธกถาของทีฆานิกาย ยิ่งกว่านั้นการกำหนดรู้เวทนาจิตและสภาวะธรรมในปัจจุบันขณะตามหมวดเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาย่อมนำไปสู่การพัฒนาอุปจารสมาธิและวิปัสสนาญาณได้ดังคำพีวิสุท ธ, ธิมักได้บรรยายไว้ในปริเฉตที่ว่าด้วยทิฏฐิวิสุท ธ, ธิโดย ให้ผู้ที่ประสงค์จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดรู้ธาตุสี่ธาตุสิบแปดอายตนะสิบสองขันห้าและรูปนามซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฐานสูตรและในพระสูตรอื่นๆข้อความที่กล่าวชี้แจงไว้ข้างต้นคงทำให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีปฏิบัติเพื่อจเจริญสัมมาสติมากขึ้น เราจึงควรตัดสินใจได้ว่าการท่องจําและการใรกล้ครวนพระสูตรต่างๆโดยไม่ได้เจริญสติกําหนดรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมจะทําให้เกิดสัมมาสติไม่ได้เลยและเมื่อไม่เกิดสัมมาสติที่แท้จริงวิปัสสนาสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังข้อความในคัมภีอัตถกถา ของมหาสติปัฏฐานสูตรว่าอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าภาวนาที่ไม่เนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่มีดังนั้นพึงทราบว่าแม้สัน ต, ติมหาอมารและนางปตาจาราผู้บรรลุธรรมในขณะฟังธรรมนั้นได้ล่วงพ้นความโศกและความรำพันคล่ำครวนด้วยทางสายนี้เอง พระอัฏกถาจาร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าท่านทั้งสองไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ได้เจริญสติกำนดรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมไปพร้อมกันหากไม่มีการกำหนดรู้อารมณ์ที่กล่าวนี้จะไม่สามารถบรรลุวิปัสนาญาณและมัรคญาณได้เลยสัมมาสติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้บรรลุธรรมได้ เมื่อสัมมาสติพัฒนาแก่กล้าแล้วผู้ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถอย่างเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงดังนั้นในบทนำในวงเล็บอุเทศของสติปัฏฐานสูตรที่ยกมาในตอนต้นจึงกล่าวว่ามีความเพียรเผากิเลสมีปัญญาอย่างรู้มีสติในวงเล็บอาตาปีสัมปชานโนสติมา และในคำอธิบายที่เรียกว่านิเทศที่กล่าวว่าประช า, าติรู้ชัดโดยประการต่างๆสมุทยธรรมานุประช า, าติในวงเล็บรู้ชัดโดยประการต่างๆสมุทยธรรมานุปสัสสีในวงเล็บรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นวยธรรมานุปสัสสีในวงเล็บ ตามรู้สภาวะคือความดับไปสมุทยะวัธรรมานุปสัสสีตามรู้สภาวะคือทั้งความเกิดขึ้นและความดับไปสรุปว่าการเจริญสัมมาสติจะต้องมีสติที่เฉียบคมและความรู้ชัดสภาวะธรรมสีประการคือ 1. รู้ชัดอกับกิริยาทางกายที่เรียกว่ากองรูปในวงเล็บกายานุปัสนา 2. รู้ชัดเวทนาที่เป็นทั้งสุขทุกข์และวางเฉยในวงเล็บเวทนานุปัสนา 3. ารู้ชัดจิตที่โลภโกรธฟุ้งซ่านง่วงเหงาซึมเศร้าเป็นต้นจิตานุปัสนา 4. รู้ชัดสภาวะธรรมการเห็นเป็นต้นในวงเล็บธัมมานุปัสนา อาตมาได้อธิบายวิธีเจริญสัมมาสติอย่างละเอียดแล้วเพราะเป็นหัวข้อสำคัญต่อไปจะกล่าวถึงสัมมาสมาธิโดยย่อเนื่องจากหัวข้อนี้ครอบคลุมเนื้อหากว้างขวางมากหากจะพูดให้ละเอียดทุกแง่มุมก็จะทำให้สับสนโดยใช่เหตุ สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบพระพุทธองค์ตรัสถึงความตั้งมั่นชอบว่าภิกษุทั้งหลายความตั้งมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานอยู่ประกอบด้วยวิตกและวิจาร์มีปีติและสุขเกิดจากความสงัดพระวิตกวิจารระงับไป เธอเข้าถึงทุติยฌานที่มีใจภายในผ่องใสอันยังสมาธิให้เกิดขึ้นไม่มีวิตกและวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติระงับลงเธอมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขทางกายเข้าถึงตติยฌานที่พระอริยเจ้าสารเสริญว่าผู้บรรลุฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะเธอละสุขทุกสมนัตและโทมนัตเสียได้เธอเข้าถึงจตุทชาญอันไม่มีสุขทุกข์อยู่มีสติพองแผ้วอันอุเบกขาทำให้เกิดขึ้นชาญทั้งสีดังกล่าวเรียกว่าความตั้งมั่นชอบชาญคือความตั้งมั่นของจิตอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่ง อย่างแนบแน่นในมหาสติปัฐานสูตกรกล่าวว่าชาญมีสีขั้นตามสุตตันตนายในวงเล็บในที่ตรัสไว้ในพระสูตรดังนี้ 1. ปฐมชาญประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกัคคตา 2. ทุติยชาญล่วงพ้นวิตกวิจารเพราะจิตละเอียดขึ้น เห็นว่าวิตกและวิจารยังหยาบอยู่เหลือแต่ปีติสุขและเอกคตาจึงมีองค์สามสามตติยะฌานล่วงพ้นปีติเพราะเห็นว่าปีติยังหยาบอยู่เหลือแต่สุขและเอ ก, กขตาจึงมีองค์สองสี่จะตุถชฌานมีอุเบกขาแทนสุขเพราะเห็นว่าสุขยังหยาบอยู่จึงมีองค์สองคืออุเบกขาและ เอกกคตาฌานทั้งสี่นั้นนี้อาจเป็นได้ทั้งโลกิยะฌานและโลกุตระฌานที่ประกอบด้วยมักคยานสมาธิเป็นโลกุตระฌานจัดเป็นสัมมาสมาธิมรรคที่แท้จริงส่วนสมาธิที่เป็นโลกิยะฌานเป็นเพียงทางปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคโดยเป็นฐานของวิปัสสนา การเจริญวิปัสนาโดยไม่อสัยฌานบางคนมีความเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเจริญฌานก่อนจึงจะสามารถเจริญวิปัสนาได้เพราะจะต้องทำจิตให้หมดจดด้วยฌานสมาธิเสียก่อนมิฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ประสบความก้าวหน้าในการเจริญวิปัสนานี่เป็นเพียงความเห็นที่ไม่สมเหตุผลเพราะในคำพีวิสุทธิมักกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า อุปจารสมาธิมีกำลังสามารถขจัดนิวรณได้ทำให้เกิดจิตวิสุทธินำไปสู่การพัฒนาวิปัสนาปัญญาจนบรรลุอรหัตผลได้ในที่สุดและมีบุคคลจำนวนมากได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยวิธีนี้อันหนึ่งมหาสติปัทานสูตรและพระสูตรอื่นๆกล่าวระบุการกำหนดรู้ตามหมวด อิริยาบถ ท, ที่ก่อให้เกิดอุปจารสมาธิอย่างเดียวสามารถทำให้บรรลุอรหัตผลได้แม้ในอังคุตรนิกายอนุสติฐานนาสูตรก็กล่าวว่ามีผู้บรรลุธรรมเป็นอรหันด้วยการละลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆ ค, คุณเป็นอารมณ์นอกจากนั้นคำพีอัตถกถาหมวดสัมปจัญญะก็รับรองว่า ผู้ปฏิบัติธรรมอาจยกปิติที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติหรือสังขานุสตินั้นขึ้นมาเป็นอารมณ์วิปัสนาโดยรู้เห็นความไม่เที่ยงจนบรรลุอรหัตผลได้ดังนั้นสัมมาสมาธิที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าคือฌานสีนั้นถือเป็นการกล่าวถึงสมาธิที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวงเล็บ ตามหลักภาษาเรียกอุ ก, กัทนยัยคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่สูงสุดส่วนอุปจารสมาธิหรือวิปัสนาขณิกะสมาธิแม้จะด้อยกว่าฌานก็นับว่าได้เป็นสัมมาสมาธิเพราะสามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับปฐมฌานนอกจากนี้อุปจารสมาธิและปฐมฌาน ต่างก็ประกอบไดยองค์ฌานห้าเหมือนกันคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกักคตาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงรวมอุปจารสมาธิและวิปัสสนาคณิกะสมาธิไว้ในกลุ่มเดียวกับปฐมฌานโดยโอมกนยัยคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่ตาำสุดสรุปความว่า ฌานคือการเพ่งจิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจเข้าออกอย่างแน่วแน่จัดเป็นสมถะฌานส่วนการเจริญวิปัสนาตามรู้สภาวะธรรมปัจจุบันในแต่ละขณะโดยอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีแก่นสารนั้นจัดเป็นวิปัสนาฌาน คณิกะสมาธิคือความสงบของจิตก่อนจะเข้าถึงอุปจาระสมาธิในขณะที่เริ่มเจริญสมถภาวนาหรือความสงบของจิตในขณะเจริญวิปัสนาซึ่งมีกำลังพอจะ ก, กำจัดนิวรได้เช่นเดียวกับอุปจาระสมาธิของสมถภาวนาเมื่อคณิกะสมาธินี้มีกำลังแก่กล้าขึ้นก็สามารถยังจิตให้สงบได้เช่นเดียวกับ อัปนาสมาธิเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้เจริญสติปัฏฐานจนคณิกะสมาธิพัฒนาแก่กล้าแล้วสามารถพบเห็นได้ดังคำพีดีกาของวิสุทธิทมักกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลมีบุคคลมากมายได้บรรลุ ธ, ธรรมในขณะที่ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ท่านเหล่านั้นคงไม่ได้เป็นผู้ชำนาญในฌานไปเสียทุกคน ส่วนใหญ่แล้วมักไม่เคยเจริญฌานมาก่อนแต่จิตของท่านคงจะบริสุทธิจากนิวรเพราะมีลักษณะคล่องแคล่วอ่อนโยนปราศจากนิวรประโมทและผ่องใสพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอริยสัจส์่เมื่อผู้ฟังประกอบด้วยจิตดังกล่าวก็สามารถบรรลุทำได้ในขณะที่ฟัง ดังนั้นสัมมาสมาธิที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าคือฌานสีนั้นถือเป็นการกล่าวสมาธิที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวงเล็บตามหลักภาษาเรียกว่าอุกัตทนายคือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่สูงสุดส่วนอุปจารสมาธิคือวิปัสสนาคณิกสมาธิแม้จะด้อยกว่าฌานก็นับได้ว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะสามารถชําระจิตให้บริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกับ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 โดยโอกรรมไนาคือสํานวนที่กล่าวถึงสิ่งที่ต่ำสุดสรุปความว่าฌานคือการเพ่งจิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจเข้าออกอย่างแน่วแน่จัดเป็นสมะถะฌานส่วนการเจริญวิปัสสนาตามรู้สภาวะธรรมปัจจุบันในแต่ละขณะโดยอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และไม่มีแก่นสารนั้นจัดเป็นวิปัสนาฌานคณิกะสมาธิคือความสงบของจิตก่อนจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในขณะที่เริ่มเจริญสมถภาวนาหรือความสงบของจิตในขณะเจริญวิปัสนาซึ่งมีกำลังพอจะกำจัดนิวรณได้เช่นเดียวกับอุปจารสมาธิของสมถภาวนา เมื่อคณิกะสมาธิมีกำลังแก่กล้าขึ้นก็สามารถยังจิตให้สงบได้เช่นเดียวกับอปนาสมาธิเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้เจริญสติปัฏฐานจนคณิกะสมาธิพัฒนาแก่กล้าแล้วสามารถพบเห็นได้ดังคำพีเีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่าคำว่าคณิกะจิตเตกัคตาในวงเล็บความตั้งมั่นแห่งจิตชั่วขณะ มีความหมายว่าสมาธิที่ตั้งอยู่ชั่วขณะซึ่งอันที่จริงแล้วคณิกสมาธินั้นเกิดขึ้นอยู่กับอารมณ์ของรูปนามโดยอาศัยการตั้งมั่นอย่างเดียวกันไม่ขาดช่วงเมื่อไม่มีกิเลสแทรกเข้ามาก็ทำจิตให้สงบได้เช่นเดียวกับอปนาสมาธิเพราะฉะนั้นสมถยานิกผู้ปรัธนาบรรลุ ธ, ธรรม ควรพยายามเจริญฌานชั้นใดชั้นหนึ่งในฌานสี่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นสมถยานิกผู้ปรารถนาจะบรรลุเพราะฉะนั้นสมถยานิกผู้ปรารถนาจะบรรลุร ธ, ร ธ, ธรรมควรเจริญฌานขั้นใดขั้นหนึ่งในฌานสี่ก่อนเมื่อเข้าถึงฌานแล้วก็ควรปฏิบัติให้คล่องแคล่วแล้วจึงใช้ฌานเป็นฐาน ในการปฏิบัติวิปัสสนาต่อมาส่วนผู้ที่ไม่อาจเพียนปฏิบัติจนบรรลุฌานได้ก็ควรพยายามปฏิบัติให้บรรลุอุปจารสมาธิเป็นอย่างน้อยส่วนวิปัสสนาญาณิกที่เริ่มเจริญวิปัสสนาเป็นลำดับแรกโดยไม่ได้เจริญสมถะภาวนาก่อนนั้นควรพยายามกำหนดรู้รูปนามมีธาตุสี่เป็นต้นก่อน แล้วอบรมให้เกิดวิปั ส, สนาคณิกะสมาธิซึ่งมีอำนาจกำจัดนิวรได้เช่นเดียวกับอุปจารสมาธิและเมื่อคณิกะสมาธิมีกำลังกล้าแข็งขึ้นก็จะเกิดวิปั ส, สนาปัญญาที่รู้เห็นรูปนามอย่างชาัดเจนโดยปราศจากสมมติบัญญัติใดๆคือนามรูปปริเฉษทยานในวงเล็บ ยานกำหนดรูปนามเป็นต้นตามคำอธิบายที่กล่าวมานี้วิปัสนาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิจึงจัดเป็นสัมมาสมาธิเมื่อได้ศึกษาเรื่องสัมมาสมาธิพอสมควรแล้วจะขอกล่าวถึงการพัฒนาปัญญาเป็นลำดับต่อไป สัมมาทิฏฐิในวงเล็บความเห็นชอบพระพุทธองค์ตรัสถึงความเห็นชอบว่าภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นไฉนความรู้ในทุก์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ความดับทุกความรู้ในทางดำเนินไปสู่ความดับทุก์ความรู้ดังกล่าวเรียกว่าความเห็นชอบ ข้อความข้างต้นเป็นพระพุทธดํามรัส จ, จากมหาสติปัฐานสูตรที่อธิบายสัมมาทิฏฐิกล่าวโดยสรุปคือการรู้เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิการพัฒนาสัมมาทิฏฐินี้มีความปฏิบัติเช่นเดียวกับการพัฒนาสัมมาสติและสัมมาสมาธิขอกล่าวถึงสัมมาส ม, มาธิโดยละเอียดว่ามีห้าชนิด ตามคำพีอธกถาของอังคุตรนิกายคือ 1- กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกี่ยวกับกรรม 2- ชฌานสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับฌาน 3- วิปัสนาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับวิปัสนา 4- มัคคสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับมรรคยาน 5. าผลสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับผลยานในคำพีอัตถกถาของอุปริปันาตกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิมีห้าชนิดเช่นเดียวกันต่างกันเพียงมีปัจจวัคณะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่เกิดจากการพิจารณาทบทวน มาแทนยานสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเมื่อนำมารวมกันจึงมีสัมมาทิฏฐิหกชนิดตามคมภีอัธกถาของอังคุตรนิกายในเรื่องนี้อธิบายว่าผลสัมมาทิฏฐิเกิดพร้อมกับผลยานทั้งสี่และผลยานนั้นก็เกิดต่อจากมรรคยานด้วยอํานาจของอนันตรปัจจัยในวงเล็บปัจจัยต่อเนื่องไม่มีระหว่าง ไม่มีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำอะไรพิเศษถึงปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิก็เป็นการพิจารณาทบทวนมากผลเป็นต้นที่ตนบรรลุแล้วจึงเป็นอันว่าผู้เจริญวิปัสสนาต้องภาคเพียรปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฏฐิ4ชนิดส่วนสัมมาทิฏฐิที่เหลือคือผลสัมมาทิฏฐิ และปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมาเองขอกล่าวถึงรายละเอียดของสัมมาทิฏฐิสี่ชนิดแรกตามลาดับต่อไปกรมมสกตาสัมมาทิฏฐิกรมมสกตาสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเชื่อกฎแห่งกรรมว่ากรรม และผลกรรมมีจริงกรรมคือการกระทำและการกระทำต่างๆย่อมก่อให้เกิดผลดีบ้างผลร้ายบ้างผู้ก่อกรรมชั่วจะต้องได้รับผลชั่วเช่นผู้ทำผิดกฎหมายต้องรับโทษทันหรืออย่างน้อยก็ถูกสังคมติเตียนผู้ที่กล่าวคำหยาบก็ถูกตอบกลับด้วยคำหยาบการมองด้วยสายตามุ่งร้ายก็จะถูกมองกลับด้วยสายตามุ่งร้ายเช่นเดียวกัน ในทางตรงข้ามใบหน้าที่ยิ้มแย้มจะได้รับการยิ้มตอบคำพูดที่เป็นมิตรก็จะได้คำตอบที่เป็นมิตรเด็กที่เรียบร้อยขยันเรียนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะประสบผลสำเร็จมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานผู้ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพก็จะร่ารวยส่วนผู้ที่เล่นการพนันจะพบกับความหายนะ เราจะเห็นตัวอย่างการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันกฎแห่งกรรมนี้ได้ให้ผลในชาติปัจจุบันเท่านั้นแม้ในสังสารวัตรอันยาวนานนี้ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วผู้ที่ทำกรรมชั่วในอดีตชาติก็จะได้รับวิบากชั่วในชาตินี้ เช่นมีอายุสัน้นถูกโรคภัยเบียดเบียนหน้าตาอัปลักษณ์ยากจนระญาติขาดมิตรเป็นต้นการทำบาปในชาตินี้เช่นการฆ่าการทรมานสัตว์การลักทรัพย์การพูดเท็จการส่งผลให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ำลงและจะต้องได้รับกรรมเช่นเดียวกับที่ได้ทำไว ส่วนผู้บำเพ็ญกุศลกรรมไว้ในอดีตชาติก็จะได้รับกุศลวิบากในชาติปัจจุบันเช่นมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสวยงามพั่างพร้อมได้ลาภยศบริวารการงดเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเช่นทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นจะส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นได้รับผลของกรรมที่ดี ที่ได้ทำไว้นอกจากจะเห็นผลของกรรมจากตัวอย่างในชีวิตจริงแล้วความเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเป็นความจริงชื่อว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนก ร, รมสกตาสัมมาทิฏฐิไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากปัญญาที่ยังเห็นสภาวธรรมแต่อาจเกิดจากศรัทธาคือความเชื่อ ในคําสั่งสอนของผู้อื่นหรือจากการศึกษาพระไตรปิฎกหรือจากการพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่พบเห็นสมาธิธิประเภทนี้จัดเป็นสมาธิฐิในกุศลกรรมบทสิบส่วนความเห็นที่ว่ากรรมไม่มีผลเป็นมิจฉาทิฏฐิในกุศลกรรมบทสิบกรรมสกตาสัมาธิธินี้เป็นมูลเหตุของการทํากรรมดีทั้งปวง ผู้มีสมาธิทิฐิงดเว้นการทำกรรมชั่วทำกรรมขั้นพื้นฐานเช่นทําบุญให้ทานรักษาศีลซึ่งเป็นพื้นฐานให้มีการพัฒนาสมาธิและวิปัสสนาต่อไปดังพระพุทธดารัสว่าภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงชำระเบื้องต้นของกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายอะไรคือเบื้องต้นของกุศลกระททั้งหลาย ศีลที่หมดจดดีและความเห็นที่ถูกต้องคือเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุเมื่อศีลของเธอหมดจดดีและความเห็นถูกต้องแล้วต่อแต่นั้นเธออาศัยศีลดารงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสทั้งสประเภทคือการตามรู้รูปนามภายในการตามรู้รูปนามภายนอก และการตามรู้รูปนามทั้งภายในและภายนอกจะเห็นได้ชัดจากพระพุทธพจน์ที่ยกมาข้างต้นว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิและการรักษาสีนั้นเป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเจริญภาวนากุศลอีกทั้งจิตตวิสุทธิคือฌานสมาธิและอุปจารสมาธิก็จัดเป็นพื้นฐานที่จําเป็นแก่การเจริญวิปัสสนาต่อจากนั้น จึงเจริญวิปัสนาเพื่อให้บรรลุมรรคยานต่อไปสรุปได้ว่าทางเจริญเพื่อความหลุดพ้นที่เรียกว่ามรมีสขั้นคือ 1. มุลมร์ทางปฏิบัติขั้นต้นคือศีลและสมาทิฏฐิ 2. บุรพภ า, พาคมร์ทางปฏิบัติขั้นกลางที่เกิดก่อนโลกุตระมร์ คือการปฏิบัติวิปั ส, สนาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ในวงเล็บวิปั ส, สนามรรคสโลกุตระมรรคโลกุตระธรรมในพระพุทธศาสนาคู่กับอริยผลมีสี่ชั้นคือโสดาปติมรรคสัทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค โลกุตระมักนี้เป็นชื่อรวมของสัมมาทิฏฐิเป็นต้นทั้งแปดอย่างในวงเล็บเจตสิกทั้งแปดดวงฝ่ายโลกุตระที่เกิดร่วมกันในขณะเดียวกันส่วนสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแปดอย่างนั้นเป็นองค์มักทีละอย่างฝ่ายโลกิยะ มักสามขั้นเมื่อชาวพุทธทำบุญครั้งใดก็มักอธิษฐานขอให้บรรลุพระนิพพานโดยเร็วพรันแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดนี้ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการตั้งความปรารถนาอย่างเดียวเพราะกุศลส่วนใหญ่มักจะส่งผลให้ไปเกิดในภพที่สูงขึ้นเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางสายเดียว ที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้เราจึงไม่ควรรอให้ถึงชาติหน้าแต่ควรเริ่มทำความเพียรเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นในชาตินี้ความหลุดพ้นจะสำเร็จได้ด้วยอาศัยการเข้าถึงโลกุตระมักโลกุตระมักก็ต้องมีวิปัสสนามักเป็นพื้นฐานและวิปัสสนามักก็ต้องมีพื้นฐานประกอบด้วยศีลและก ร, รมสกตาสัมมาทิฏฐิ ชาวพุทธโดยทั่วไปมักเชื่อเรื่องกรรมและผลกรรมจึงนับว่ามีกรรมศักตาสัมมาทิฏฐิแล้วส่วนการรักษาศีล น, นั้นคารวะที่ไม่ได้รักษาศีลเป็นนิดก็อาจจะสมาทานศีลก่อนที่จะเริ่มการปฏิบัติพระภิกษุที่ไม่แน่ใจว่าศีลของตนบริสุทธ์ก็ควรชำระศีลให้หมดจดเสียก่อนด้วยการอยู่ปริวาสหรือเข้ามานัด หากมีสิ่งของที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องก็ควรสละทิ้งไปแล้วปรงอบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติเมื่อพระภิกษุหรือคารวาชำราศีลให้หมดจดแล้วต่อจากนั้นควรพยายามเจริญสมาธิเพื่อให้บรรลุฌานขั้นใดขั้นหนึ่งหรือทั้งสี่ขั้นหรือควรพยายามปฏิบัติให้บรรลุอุปจารสมาธิหรือ ไม่ควรเจริญธาตุกรรมฐานที่ระลึกรู้ธาตุทั้งสี่เป็นหลักซึ่งก่อให้เกิดวิปัสสนาขณิกะสมาธิที่มีกำลังสามารถชำระจิตให้หมดจดได้เช่นเดียวกับอุปจาระสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงของรูปนามในแต่ละขณะอย่างต่อเนื่องโดยระลึกรู้ธาตุทั้งสี่เป็นหลัก อีกทั้งระลึกรู้รูปนามอย่างอื่นที่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะถ้าสิ่งที่กำหนดรู้อยู่นั้นมีหลายอารมณ์หรือเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ชัดเจนจะทำให้คณิกะสมาธิเกิดได้ช้าผู้ปฏิบัติควรลดอารมณ์ที่กำหนดรู้ให้น้อยลงเหลือเพียงอารมณ์ที่ชัดเจนคณิกะสมาธิก็จะเกิดเร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้อาตมาจึงแนะนำผู้ปฏิบัติใหม่ให้เริ่มต้นด้วยการกําหนดรู้วาโยธาคือสภาวะเคลื่อนไหวที่ตึงย่อนซึ่งปรากฏตรงบริเวณท้องเมื่อท้องพองขึ้นผู้ปฏิบัติควรกําหนดว่าพองหนอเมื่อท้องยุบผู้ปฏิบัติควรกําหนดว่ายุบหนอในตอนต้น เราควรรู้ตามสภาวะพองยุบนี้เป็นหลักหากมีความคิดแทรกเข้ามาก็ให้กำหนดรู้ความคิดฟุง้งซ่านว่าคิดหนอหรือฟุ้งหนอแล้วกลับมากำหนดสภาวะพองยุบต่อไปแต่ถ้ามีสภาวะเจ็บปวดตามร่างกายให้กำหนดว่าเจ็บหนอหรือปวดหนอเมื่อสภาวะปวดคลายลง ก็ให้กลับมากำหนดสภาวะพองยุบต่อไปถ้าผู้ปฏิบัติทำคู่แขนเหยียดแขนหรือเคลื่อนไหวก็ให้กำหนดรู้ว่าคู่นอเหยียดนอหรือเคลื่อนนอให้สอดคล้องกับอิรียบ ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อสภาวะเคลื่อนไหวสิ้นสุดลงก็ให้กลับมากำหนดพองยุบต่อไป หากได้เห็นรูปหรือได้ยินเสียงอย่างชัดเจนให้กําหนดว่าเห็นหนอหรือได้ยินหนอสักระยะหนึ่งแล้วกลับมากําหนดสภาวะพองยุคต่อไปการกําหนดรู้สภาวะทำอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะทำให้จิตสงบตั้งมั่นและขณะที่กําลังกําหนดรู้รูปนามอยู่นั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นว่ารูปเป็นอารมณ์หนึ่งจิตที่เห็นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งทั้งสองอย่างเป็นคนละส่วนกันนี่คือนามรูปปริเฉทยานในวงเล็บยานกำหนดรูปนามเป็นวิปัสนาญาณขั้นต้นที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าทําให้เกิดจักสุทําให้เกิดปัญญาในวงเล็บ จักขุกรณียานการณีและภิกษุณีได้กล่าวกับพระอนนนว่ารู้เห็นปัญญาขั้นสูงได้มากขึ้นเรื่อยๆในวงเล็บบุเพนาปรังวิเศ ส, สังสัญชานนติชาณสัมมาทิฏฐิ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิจนบรรลุฌานปัญญาที่เกิดร่วมกับฌานคือฌานสัมมาทิฏฐิซึ่งแม้จะไม่สำคัญต่อการเจริญวิปัสสนาโดยตรงแต่ฌานก็มีประโยชน์เพราะทำให้เกิดจิตวิสุทธิซึ่งเป็นบาทฐานสำหรับการเจริญวิปัสสนาโดยออกจากฌานแล้วกำหนดรู้ฌานาจิตขององค์ธรรมที่เกิดร่วม เช่นวิตกวิจารปิติสุขเอกกัคตาผัสสะเจตนาและมนสิการเป็นต้นหรือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอันเป็นที่ตั้งของฌานก็จะเกิดปัญญาอย่างเห็นความเกิดดับติดต่อกันอย่างรวดเร็วของสภาวะธรรมจนเข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตน ผู้ปฏิบัติธรรมประเภทนี้เรียกว่าสมัตยานิก ค, คือผู้บรรลุธรรมด้วยสมัตยานส่วนผู้บรรลุธรรมด้วยวิปัสนาญาณชื่อว่าวิปัสนาญาณิกเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเจริญฌานสลับกับการกำหนดรู้รูปนามปรากฏในขณะเข้าฌานต่อไปอีกวิปัสนามก การปฏิบัติวิปัสนาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปก็จะแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับจนรู้แจ้งพระนิพพานในที่สุดด้วยมักคยานมีคำยืนยันเรื่องนี้ในชาณสูตรของอังคุตรนิกายนวกะนิบาทว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระาศาสนานี้สงัดแล้วจากกรรมคุณ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 เหมือนความป่วยไข้เป็นสภาพอื่นจากตัวตนแตกสลายว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาที่รู้เห็นรูปนามนั้นแล้วย่อมถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสสมถียานิกต้องเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานหลังจากนั้นจึงกำหนดรู้ยานจิตและองค์ธรรมที่เกิดร่วม เช่นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นต้นหรือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอันเป็นที่ตั้งของฌานจึงจะบรรลุมรรคยานด้วยวิปัสสนามักที่มีฌานเป็นฐานส่วนวิปัสสนาญาณิกที่ไม่ได้เจริญฌานต้องเจริญสติระลึกรู้รูปนามให้เท่าทันปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสและความคิดฟุ้งซ่านจนกระทั่งเกิดปัญญาอย่างเห็นการเกิดดับของสภาวธรรมในปัจจุบันขณะการใข้ครวนความรู้ที่จำมาจากตำ ร, ราไม่อาจพัฒนาปัญญาระดับวิปัสสนาญาณและมัคคาญได้ เพราะไม่ใช่การรู้เห็นสภาวะธรรมของรูปนามอย่างแท้จริงนอกจากนั้นสมถยานิกอาจจะเริญนกรรมฐานได้อีกวิธีหนึ่งคือเมื่อออกจากฌานแล้วควรกำหนดรู้จานจิตองค์ธรรมของฌานและรูปอันเป็นที่ตั้งของฌานคือลมหายใจเข้าออกพร้อมทำกำหนดรู้รูปนาม ที่ปรากฏแชทในแต่ละขณะเช่นการเห็นการได้ยินการกระทบสัมผัสความนึกคิดซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเช่นเดียวกับวิปัสนาญาณนี้ต่างกันแต่เพียงสมถะญาณนิกใช้ฌานเป็นฐานในการเจริญวิปัสนาจึงช่วยให้สามารถยังเห็นสภาวะธรรมของรูปนามได้เร็วกว่าการเจริญวิปัสนาล้วน ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติของสมถะญาณิคและวิปาาัสสนาญาณิคมีเพียงเท่านี้เมื่อสมถะญาณิกกาหนดรู้สภาวธรรมของรูปนามเป็นเวลานานอาจเกิดความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการนั่งนานจึงควรกลับมาเจริญฌานอีกเพื่อผ่อนคลายพอหายเหนื่อยล้าแล้วก็กาหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะต่อไป ด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถพัฒนาวิปัสสนามากจนมีกําลังแก่กล้าที่จะก้าวหน้าไปสู่มรรคยานต่อไปวิธีปฏิบัติเช่นนี้กล่าวไว้ในคำพีอัตกถาของเทวทาวิตั ก, กสูตรว่าถ้อยคำเพียงเท่านี้ได้กล่าวถึงเวลาเจริญวิปัสสนาโดยอาศัยสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยแท้จริงแล้ว บุคคลใดมีสมาธิและวิปัสสนาไม่แก่กล้าเมื่อเธอนั่งเจริญวิปัสสนานานร่างกายย่อมลำบากเหมือนไฟเผาอยู่ภายในเหงื่อไหลออกจากรักแร้เหมือนมีควันพุ่งออกจากกระหม่อมจิตย่อมลำบากทุรนทุรายเธอย่อมเข้าสมาบัตินั้นอีกคมความลำบากและกายใจนั้นแล้วกระทำให้ทุเลาลงจนสบายแล้ว จเจริญวิปัสนาอีกเมื่อเธอนั่งนานอีกความลำบากเหมือนอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นเธอย่อมเข้าสมาบัตอีกกระทาเหมือนก่อนความจริงการเข้าสมาบัตมีอุปการะมากแก่วิปัสนาแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นการจเจริญวิปัสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นสมถยานิกส่วนวิปัสนายานิกที่จเจริญวิปัสนา ด้วยการกำหนดรูปรูปนามที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะเมื่อเกิดความเหนื่อยล้าขึ้นก็ไม่สามารถจเจริญฌานเพื่อพักผ่อนได้จึงควรกำหนดพองยุบที่ท้องแทนวิธีนี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าของกายและใจได้เมื่อพักจนสดชื่นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกลับไปกำหนดรูปนามได้อีกเมื่อปฏิบัติสลับกันไปอย่างนี้ วิปัศนาสมาธิจะมีกำลังกล้าแข็งขึ้นช่วยให้สามารถปฏิบัติติดต่อกันได้ทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่ลำบากกายหรือใจและกำหนดอารมณ์กรรมฐานได้โดยไม่ต้องพยายามมากนักอีกทั้งสติก็กำหนดรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดความจริงเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะปรากฏให้เห็นอย่างชาัดเจนเมื่อปัญญามีความคมกล้ามากขึ้นเขาจะยังเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์ที่ถูกรู้และจิตที่รู้อารมณ์และหลังจากนั้นปัญญาก็จะพัฒนาต่อไปจนบรร ล, ลุพระนิพพานด้วยโลกุตระมัก เกิดขึ้นของวิปัสสนามักดังได้กล่าวแล้วว่าในบรรดามักทั้งสขั้นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเริ่มจากการเจริญมักขั้นต้นที่ประกอบด้วยกรรมสกตาสมาธิฏฐิและศีลวิสุท ธ, ธิก่อนหลังจากนั้นสมถยานิก็จะต้องเจริญสมถะจนบรรลุอปปนาสมาธิหรืออุปจาระสมาธิเสียก่อน ส่วนวิปัสสนาญาณิกควรจเจริญธาตุกรรมฐานเพื่อให้เกิดวิปัสสนาคณิกะสมาธิอย่างต่อเนื่องไม่ส่งจิตไปหาอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับสภาวะธรรมปัจจุบันก็จะเกิดจิตตวิสุท ธ, ธิสามารถยังวิปัสสนามักให้เกิดขึ้นได้ความเพียรที่กำหนดสภาวะพองยุบสภาวะนั่ง สภาวะคิดฟุ้งซ่านหรือสภาวะเจ็บปวดเป็นต้นคือสัมมาวายามะสติที่ระลึกรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมตามหลักสติปัฏฐานสคือสัมมาสติความตั้งมั่นของจิตในสภาวะธรรมคือสัมมาสมาธิหรือวิปัสสนาคณิกะสมาธิสัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิทั้งสามอย่างนี้จัดอยู่ในหมวดสมาธิของอริยมรรคการอย่างเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นความแตกต่างระหว่างรูปกับนามชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเกิดปัญญาอย่างเห็นความเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของรูป และนามเช่นการคูเกิดจากจิตที่ต้องการจะคูการเหยียดเกิดจากจิตที่ต้องการจะเหยียดการเห็นเกิดขึ้นได้เพราะมีประสาท ต, ตาและรูปการได้ยินเกิดได้เพราะมีประสาทหูและเสียงความสุขมีได้เพราะทำกรรมดีมาก่อนเป็นต้นเมื่อปฏิบัติต่อไปดังนี้ ผู้ปรารจกความเพียรจะเกิดปัญญาอย่างเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมที่ทำให้เห็นประจักษ์ความไม่เที่ยงของรูปนามเมื่อเขาได้รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามติดต่อกันตลอดเวลาเช่นนี้ก็จะรู้เห็นความทุกข์ที่น่ากลัวและความไม่มีแก่นสารของสรรพสิ่งการเห็นประจักษ์ในสิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิ พระบรมศา ส, สดาตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าความรู้ในทุกขคือสัมมาทิฏฐิเมื่อผู้ปรารบความเพียรรู้เห็นทุกขสัต์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีแก่นสารก็ถือว่าได้รู้เห็นสัจจะสามอย่างที่เหลือในคราวเดียวกันดังจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในบทต่อไปการน้อมใจไปนในการรับรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง ของรูปนามและความเกิดดับของรูปนามตามสามั ญ, ญลักษ์ทั้งสามอย่างนี้ชื่อว่าสัมมาสังกปะทั้งสัมมาสมาธิและสัมมาสังกปะจัดอยู่ในหมวดปัญญาของอริยมรรคองคมรรคสามประการในหมวดสมาธิและอีกสองประการในหมวดปัญญารวมเป็นห้าประการชื่อว่าองค์มครรคทำให้เกิดประโยชน์ทั้งหมด ในวงเล็บกรกมัรทำหน้าที่ในการกำหนดรู้สภาวะธรรมในขณะเจริญวิปัสสนาส่วนองค์มรสามประการในหมวดศีลคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชิวะนั้นแม้จะมีเป็นพื้นฐานมาก่อนการปฏิบัติแล้วก็ตามในขณะปฏิบัติก็จะพัฒนาแก่กล้า ขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับองค์มรรคอื่นๆจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดในทุกขณะที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันสามาสังกับปะความดำริชอบ อาตมาได้กล่าวถึงองค์มรรคเจประเภทอย่างละเอียดมาแล้วต่อไปนี้จะกล่าวถึงองค์มรรคสุดท้ายคือสัมมาสังกัปปะพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นชนยัยความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในความไม่เบียดเบียนข้อนี้เรียกว่าความดาริชอบ การดำริที่จะทำบุญกุศลทุกชนิดเช่นการออกบวชการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมจัดเป็นเนคขมมะสังกัปปะดังคำพีอัธกถากล่าวว่าการออกบวปชปฐมฌานพระนิพพานการเจริญวิปัสนาและกุศลธรรมทั้งหมดท่านเรียกว่าเนคขมมะตามข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้นั้น การเจริญวิปัสนาจัดเป็นเนกข ม, มัสสังกปะอย่างหนึ่งความดำริในความไม่พยาบาทและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเฉพาะการเจริญเมตตาภาวนาเป็นอัพพยาปาทะสังกปะส่วนความดำริในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความการุณาโดยเฉพาะการเจริญกรุณาภาวนาเป็นอวิหิงสาสังกปะ ในขณะเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยกําหนดรูปนามอยู่นั้นกุศลจิตได้เกิดขึ้นอยู่เสมอจึงเป็นการเจริญเนกขมัสสังกปัปปะและถือได้ว่าเป็นการเจริญอภยยาปสาทะสังกปัปปะและอะวิหิงสาสังกปัปปะเพราะไม่มีจิตที่ต้องการฆ่าหรือเบียดเบียนนอกจากนี้สัมมาสังกปัปปะอันเป็นวิตกเจตสิก ที่ปรากฏในขณะเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการน้อมจิตไปสู่สภาวธรรมปัจจุบันเพื่อให้รู้เห็นสภาวธรรมของรูปนามในแต่ละขณะโดยสภาพที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่การนึกคิดเรื่องราวที่เป็นสมมุติบัญญัติอาตมาได้อธิบายเกี่ยวกับมากทั้งสามขั้นมาแล้วอย่างละเอียด เมื่อวิปัสสนามักพัฒนาแก่กล้าขึ้นจนถึงที่สุดก็จะสำเร็จเป็นโลกุตระมักอันเป็นทางไปสู่พระนิพพานดังนั้นวิปัสสนามักจึงเป็นทางนำไปสู่โลกุตระมักนั่นเองหรือกล่าวได้ว่าวิปัสสนามักคือทางสายเดียวกับโลกุตระมักเป็นทางที่มีวิปัสสนามักเป็นจุดเริ่มต้น และมีโลกุตระมักเป็นจุดหมายปลายทางดังนั้นผู้ที่ต้องการไปถึงโลกุตระมักจึงต้องเริ่มต้นที่ทางคือวิปัสสนาม ก, ก่อนเมื่อปฏิบัติต่อไปก็จะเข้าถึงโลกุตระมักได้ในที่สุดเรื่องนี้อาจเปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่ต้องการจะข้ามลำธารเขาจะต้องวิ่งอย่างเร็วไปที่ฝั่งน้าแล้วกระโดดข้าม เมื่อเขากระโดดข้ามไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปอีกเพราะเขาจะไปตกลงที่ฝั่งตรงข้ามได้โดยอัตโนมัติการเจริญวิปัสนาเปรียบเหมือนการวิ่งไปที่ฝั่งลาําธารแล้วกระโดดไปการไปถึงฝั่งตรงข้ามเปรียบเหมือนการไปถึงโลกุตระมักซึ่งเป็นผลสําเร็จจากพลังของวิปัสนา